พระไตรปิฎกเล่มที่ส4สโคปะกะโมคลานะสูตรว่าด้วยปรามชื่อโคปะกะโมคลานะเรื่องบุคคลใดควรเป็นที่พึ่งหลังพระพุทธเจ้าวริณิพานแล้วสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาควริณิพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์พักอยู่ณพระเวรุวันเกตกรุงราชครึก ครั้งนั้นกขปะกะโมคคลานะพราหมณ์ได้ถามปัญหาท่านพระอานุ์ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมะครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วท่านพระอานุ์กล่าวว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมะครบทุกข้อทุกประการ อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่ เรื่องนี้ที่ท่านพระอานนุนได้สนทนากับโคปะกะโมคลานาพรามค้างไว้ขณะนั้นวัสกาลพรามมหาอัมมาแห่งแควนมคตเที่ยวตรวจราชการในกรุงราชฤกษ์ได้เข้าไปหาท่านพระอานนุ์ถึงที่ทํางานของโคปะกะโมคลานาพรามแล้วถามว่าสนทนาอะไรกันอยู่ท่านพระอานนุ์ก็เล่าให้ฟังถึงการตอบปัญหานั้นวัสการาพรามถามว่าท่านพระอานนุ์ มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ซึ่งท่านพระอานุนตอบว่าไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยถามต่อว่าแล้วมีที่คณะสงฆ์แต่งตั้งให้แทนหรือไม่ก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีเช่นกันจึงถามว่า ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรละ่ะเป็นเหตุแห่งความสมรูคีกันโดยธรรมพรามอัตมาภาพทั้งหลายมิใช่คนไม่มีที่พึ่งอัตมาภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งวัสการพรพรามจึงขอให้อธิบายพรามพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโม่แก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถ อัตมาภาพเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยคามเขตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วเชิญภิกษุที่สวดปาติโมกได้ให้สวดถ้าขณะสวดปาติโมกมีภิกษุต้องอาบัตมีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อัตมาภาพทั้งหลายจะให้เธอทาตามธรรมตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่สอนไว้ภิกษุผู้เจริญทั้งหลาย มีได้ใช้ให้อัตมาภาพทั้งหลายทำธรรมะใช้ให้อัตมาภาพทั้งหลายทำข้อนี้คือไม่ใช้บุคคลจัดการแต่ใช้พระธรรมจัดการถามว่าท่านพระอนุ์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักกาวระเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ตอบว่ามีอยู่รูปหนึ่งท่านพระอนุ์ เมื่อถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโกดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายซึ่งพระกุณเจ้าพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าไม่เมื่อผมถามว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ภิกษุผู้เป็นเทระจำนวนมากคือคณะสงฆ์แต่งตั้งไว้ให้เป็นที่พึ่งท่านก็ตอบว่าไม่มี แต่เมื่อผมถามว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระกุณเจ้าทั้งหลายสักุลระเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบนัดนี้พระกุณเจ้ากลับตอบว่ามีคำที่พระกุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสพราม พระผู้มีพระภาคตรัสบอกธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้สิบประการในคณะของอัตมภาพภิกษุรูปใดมีธรรมะเหล่านั้นอัตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ธรรมะสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิเนียนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในปฏิโมก เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพหูสูตรทรงสุดตะสังสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศโรงมจันร์พร้อมอัฏะและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วน ทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิ 3. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาดเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัตบริขาร 4. เป็นผู้ได้ฌานสีอันมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้เดินบนน้ำผุดดำลงในดินเหาะในอากาศใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์ 7. กํากำหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตน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 รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมสิบทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอยู่จบรมจรันพรามธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการ น, นี้ อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกไว้บรรดาอัตมาภาพทั้งหลายรูปใดมีธรรมะเหล่านี้ในบัดนี้อัตมาภาพทั้งหลายย่อมสกักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยรูปนั้นอยู่เมื่อท่านพระอา น, นุ์กล่าวอย่างนี้แล้ววาสกาลพรามณ์อมมาแห่งแคว้นมคธ ได้เรียกอุปนันทเสนาบดีมาถามว่าพระกุณเจ้าเหล่านี้สักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควร น, นับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเคารพบูชาผู้สมควรหรือไม่เขาตอบว่าเป็นเช่นนั้นครั้งนั้นวัสการพราหมาห์อมาตยแห่งแคว้นมคตถามท่านพระอานนท์ว่าท่านพักอยู่ที่ใด ท่านพระอนนท์ตอบว่าผักอยู่ที่พระเวรุวันท่านพระอนนท์ก็พระเวรุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่เหล็กเรนใช่หรือไม่ท่านพระอนนท์ตอบว่าถูกแล้วพราหมสมควรเป็นที่เหล็กเรนก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน ท่านพระอานุ์เหตุที่เป็นเช่นนั้นแท้จริงเพราะมีพระกุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจาต่างหากเล่าท่านพระอานนุ์สมัยหนึ่งพระโกดมผู้เจริญพระองค์นั้นประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแหละกระผมเข้าไปเฝ้าพระโกดมผู้เจริญพระองค์นั้นถึงที่ประทับพระองค์ได้ตรัสฌานนักถาโดยอเนกปริยาย พระองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำและตรัสสรรเสริญฌานทั้งปวงใช่หรือไม่ท่านพระอาหนุนตอบว่ารามพราผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่ไม่ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจถูกการมราคะกลุ่มรุมถูกการมราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมะที่สลัดการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการทําการมราคะเท่านั้นไว้ภายในธรรมะที่สลัดมีสามประการคือหนึ่งธรรมะที่สลัดด้วยการข่มไว้ หมายถึงปฐมฌานที่มีอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์ 2. ธรรมะที่สลัดด้วยองค์นั้นหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานและสธรรมะที่สลัดด้วยการถอนขึ้นหมายถึงอรหัตตมักและโดยในยะเดียวกันกับกามราคะคือมีใจถูกพยาบาทความคิดปองร้ายกรอบงามอยู่มีใจถูกทินนมิทะ ความอดภูเคลื่อนเคลิม้มง่วงเหงาหานอนครอบงำอยู่มีใจถูกอุทธจะกุกข จ, จักความฟุ้งซ่านรำคาญใจครอบงำอยู่มีใจถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมะที่สลัดสิ่งครอบงำคือนิวรห้าที่เกิดขึ้นแล้วนั้นบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการ ทำรรพยาบาทที่ณมิทะอุทธักกุตกุจักหรือวิจิกิจชาเท่านั้นไว้ภายในพรามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ส่งสรรเสริญฌานเช่นนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นส่งสรรเสริญฌานเช่นไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ส ง, งัดจากรามและอาคุสน ล, ละธรรมทั้งหลายแล้ว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 ทรงสรรเสริญชาญเช่นนี้ลำดับนั้นวัศการรพรามาหาอ ม, มาตย่งแคว้นมคตชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของท่านพระอานุ์ลูกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อวัศการรพรามาหาอ ม, มาตย่งแคว้นมคดจากไปแล้วโคปะกะมมคลานาพรามได้กล่าวกับท่านพระอนุนลว่าท่านพระอนนล์ยังไม่ได้ตอบปัญหาที่กระผมทั้งหลายถามเลยท่านพระอนน์กล่าวว่า รมเราได้กล่าวแล้วไม่ใช่รู้ว่าไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งที่ประกอบด้วยธรรมะครบถ้วนทุกข้อทุกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมักที่ไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมักที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมัก ทรงรู้แจ้งมักทรงฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมักในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่จบโคประกาโมคคลันนสูตร